วันนี้ก็เป็นวันพระวันพระก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าให้พวกเราหยุดทํางานทางร่างกายแล้วมาทํางานทางจิตใจเพราะเรามีทั้งร่างกายและมีทั้งจิตใจซึ่งต้องการการดูแลเหมือนกัน แต่สิ่งที่จะดูแลร่างกายกับจิตใจนี้ไม่เหมือนกันร่างกายก็ต้องการปัจจัยสี่คืออาหาร <c oughs> เครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยใจนี้ต้องการบุญต้องการธรรมะถึงจะมีความสุขมีความสบายเหมือนกับร่างกายดังนั้น วันพราจึงเป็นวันที่เราควรที่จะเปลี่ยนการหาสิ่งของต่างๆจากร่างกายมาหาสิ่งของให้แก่ใจใจต้องการธรรมะต้องการบุญต้องการความสงบใจจึงถึงจะมีความสุขถ้าใจปราศจากบุญปราศจากธรรมะปราศจากความสงบ ใจจะหาความสุขไม่ได้ถึงแม้ว่าทางร่างกายจะมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ตามทรัพสมบัติเข้าของเงินทองนี้ไม่สามารถที่จะมาให้ความสุขกับใจได้อย่างแท้จริงให้ได้ก็เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราว เป็นความสุขที่ได้มาแล้วก็จางหายไปเหมือนควันไฟต้องคอยหามาเติมอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเวลาใดไม่สามารถที่จะเติมได้เวลานั้นใจก็จะทุกข์ใจจะเดือดร้อนแต่ถ้าเรามาหาความสุขทางใจกันได้จากบุญจากธรรมะจากความสงบ ใจของเรานี้จะมีความสุขไปได้เรื่อยๆเพราะบุญธรรมะและความสงบนี้จะอยู่กับใจไปได้นานและจะอยู่ไปได้อย่างถาวรถ้าเรารู้จักวิธีดูแลรักษาดังนั้นเราจึงต้องอมาวัดกันในวันพระเพื่อที่เราจะได้มาเรียนรู้ วิธีที่เราจะสร้างบุญสร้างธรรมะสร้างความสงบกันเพราะถ้าเราไม่มาที่วัดจะไม่มีที่อื่นที่เขาจะรู้จักวิธีสร้างบุญสร้างธรรมะสร้างความสงบให้แก่ใจวัดนี้เป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงสารกทั้งหลายผู้ที่ได้ ศึกษาวิธีสร้างบุญสร้างธรรมะสร้างความสงบขึ้นมาจนสามารถอยู่อย่างสบายโดยที่ไม่ต้องมีอะไรทางร่างกายเลยก็ได้ใจนี้ถ้ามีบุญมีธรรมะมีความสงบแล้วไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไป ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายจะไม่เป็นปัญหาไม่มีข้าวของเงินทองไม่มีสิ่งต่างๆมาให้ความสุขก็ไม่เดือดร้อนเพราะมีความสุขได้จากบุญได้จากธรรมะจากความสงบหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่ตลอดเวลาวันพระจึงเป็นวันสําคัญอย่างยิ่งสําหรับจิตใจ ของพวกเราทุกคนถ้าพวกเราไม่สนใจไม่มาดูแลเรื่องจิตใจตอนนี้เราอาจจะไม่เดือดร้อนเพราะเราสามารถหาความสุขปลอมมาให้กับใจเราได้แต่ต่อไปข้างหน้าร่างกายของเราจะแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วที่เราจะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วก็อาจจะเกิดการพิการของร่างกายขึ้นมาที่จะทำให้ไม่สามารถหาความสุขมาให้กับใจได้ตอนนั้นใจจะเดือดร้อนมากเพราะไม่รู้จักวิธีหาความสุขจากบุญจากธรรม ะ, ะจากความสงบนี่คือสิ่งที่พวกเรา ไม่ควรประมาทไม่ควรมองข้ามคือการหาความสุขให้กับใจแบบวิธีแบบที่ถูกต้องแบบที่ถาวรแบบที่จะทำให้เรานี้ยทาให้ใจของเรานี้สุขไปตลอดไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายก็ตามวันพระจึงเป็นวันที่ เราควรเข้าหาพระรัตนตรยัยเก้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่จะได้ศึกษาวิธีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างธรรมะสร้างความสงบให้มาหล่อเลี้ยงจิตใจถ้าไม่มีพระพุทธทเจ้าไม่มีพระธรรมคำสอนไม่มีพระอาริยสงสาวรมาสอนเราจะไม่รู้จักวิธี สร้างความสงบสร้างธรรมะสร้างบุญสร้างกุศลให้กับจิตใจเราก็จะต้องอาศัยสิ่งต่างๆที่เราหาได้ทางร่างกายเช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขกับเราแต่จะต้องมี อุปรสรรคต่อไปในภายภาคหน้าเพราะลาบยศสรรเสริญรูปเสียงเกิ่นรสต่างๆก็เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีเราก็อาจจะมีบางทีเราก็อาจจะไม่มีก็ได้และเครื่องมือที่เราใช้ในการหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงเกณฑ์รสต่างๆคือร่างกายก็ไม่แน่นอนเหมือนกัน ร่างกายก็อาจจะสามวันดีสี่วันไข้ก็ได้จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีใครที่จะมารับประกันได้ลองไปถามหมอถามพยาบาลที่ลงพยาบาลดูว่ามีคนไข้เฉพาะอายุเท่าไหร่มีทุกอายุตั้งแต่เกิดวันแรกมาก็เป็นคนไข้ได้จนถึงคนแก่อายุเก้าสิบร้อยปี ก็เป็นคนไข้ได้นั้นการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายนี้เป็นได้ทุกวัยเป็นได้ทุกเพศเป็นได้ทุกฐานะไม่ว่าจะรวยจะจนจะใหญ่โตรหรือจะเล็กเป็นได้ด้วยการทุกคนเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ เครื่องมือที่เราใช้ในการหาความสุขก็ไม่สามารถทาหน้าที่ของเขาได้เวลานั้นเราก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความหิวโหยกับความสุขที่เราไม่สามารถหาได้กันแต่ถ้าเรามาศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วิธีสร้างความสุขให้กับใจด้วยการสร้างบุญสร้างธรรมะ สร้างความสงบต่อไปเราก็จะอาศัยบุญอาศัยธรรมะอาศัยความสงบนี้มาให้ความสุขกับเราได้เวลาร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการหาความสุขให้กับใจนี่คือความสำคัญ ว่าทำไมเราจึงต้องมาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเราไม่ศึกษาเราจะไม่รู้จักวิธีสร้างความสุขให้กับใจดังนั้นวันพระจึงเป็นวันธรรมัสวสนะวันธรมนะธรมนะสันตธรรมะสวัสดิแปลว่าวันฟังธรรมวันฟังธรรมวันฟังธรรมนี่ เขาจะกําหนดให้เป็นวันหยุดทํางานในสมัยพุทธกาลและในสมัยโบราณของประเทศไทยประเทศไทยเมื่อก่อนเราจะหยุดวันพระกันหยุดทํางานวันพระเพื่อเราจะได้เข้าวัดกันได้แต่ยุคปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนไปเราต้องติดต่อกับต่างประเทศทําธุรกิจกับต่างประเทศ ติดต่อการงานการเงินกับต่างประเทศที่เขามีวันหยุดสากลกันคือวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันหยุดทำงานสะกลถ้าเราไม่หยุดตรงกับเขาเดี๋ยวเราทำงานกับเขาไม่ได้เช่นถ้าเราหยุดวันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปติดต่อเรื่องการงานการเงินกับต่างประเทศได้เพราะเขาทำงานแต่เราไม่ทา พอวันที่เราทำวันเสาร์วันอาทิตย์เขาไม่ทำเราก็ติดต่อกับเขาไม่ได้การทำงานทางร่างกายมันก็จะหยุดชะ ง, งักไปการหาเงินหาอะไรต่างๆมาเลี้ยงดูร่างกายมันก็จะหยุดชะ ง, งักไปได้ึงเราจึงต้องปรับให้เข้ากับโลกาพิวัติคือต้องเปลี่ยนวันหยุดแต่ทางศาสนาเราไม่เปลี่ยนตาม ทางศาสนาทางวัดเรายังถือวันพระแบบเดิมอยู่เช่นวันนี้เราถือไปว่าเป็นวันพระเราก็จะมีกิจกรรมสั่งสอนศรัทธาญาติโยมญาติโยมก็มาศึกษาแต่เดี๋ยวนี้วันนี้มันไม่ใช่เป็นวันหยุดของญาติโยมกันญาติโยมก็เลยไม่ได้เข้าวัดกันไม่ได้ศึกษาธรรมะ ก, กันเพราะต้องทำงานกัน อันนี้ก็เลยทำให้ชาวพุทธเราในเมืองไทยนี้เริ่มห่างไกลจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยปริยายโดยเหตุการณ์บังคับไปคือไม่วันหยุดก็ไม่ไปวัดก็ไม่มีการสอนธรรมะถ้าไม่ตรงกับวันพระวันพระนี้จะเคลื่อนไปเรื่อยๆไม่เป็นวันใดวันไหน จะเปลี่ยนไปทุกอาทิตย์อาทิตย์นี้เป็นวันพุธเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็วันเป็นพระรหัสแล้วอีกสองอาทิตย์ก็จะเลื่อนไปเป็นวันศุกร์เลื่อนไปเรื่อยๆตามการโคจรของดวงจันทร์เราจะถือวันพระวันที่พระจันทร์เต็มดวงกับวันพระจันทร์ดับแล้วก็วันระหว่างพระจันทร์เต็มดวงกับวันระหว่างพระจันทร์ดับ ก็ทุกเจ็ดวันแปดวันก็จะเป็นวันพระวันหนึ่งที่มันจะไม่ตรงกับวันใดวันหนึ่งมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าชาวพุทธเราจะเข้าวัดได้ก็ต้องรอให้มีวันพระที่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็นานๆจะมีสักครั้งหนึ่งสองเดือนสามเดือนก็จะมีวันพระที่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ ที่ไปวัดแล้วจะมีการแสดงธรรมมีการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนากันถ้าเป็นวันธรรมดาไปวัดก็จะไม่มีพ้าออกมาต้อนรับจะไม่มีลงโบสถ์ลงศาลามาเทศมาสอนมาปฏิบัติธรรมกันดั <c oughs> งนั้นชาวพุทธเราก็ต้องอปรับตัวเราเอง หรือทางศาสนานี้อาจจะต้องปรับให้เข้ากับโลกในยุคปัจจุบันคือควรจะถือวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันพระกันควรที่จะจัดกิจกรรมของวันพระที่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เพื่อเวลาญาติโยมไปวัดจะได้มีกิจกรรมทางศาสนาทำกันในวันวันหยุดทำงาน ซึ่งบางวัดเขาก็มีกิจกรรมทางศาสน า, อ, าอยู่เกือบทุกวันวัดป่าวัดที่มีครูบาอาจารย์สั่งสอนยญาติโยมไปทำบุญวันไหนก็จะได้ยินได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์แล้วใครอยากจะอยู่ปฏิบัติธรรมก็มีที่ให้ปฏิบัติ แต่ถ้าเป็นวัดบ้านวัดวัดเมืองนี้จะไม่มีจะมีแต่เฉพาะวันพระเวลาเป็นวันพระก็จะมีพระมาเทศใบานอ่านจากหนังสืออ่านจากใบลานไปอันนี้ก็ทำให้การเข้าวัดเพื่อได้รับธรรมะจึงไม่สะดวก ชาวพุทธเราก็เลยห่างไกลจากความรู้ทางธรรมเลยไปรูเรื่องทางโลกกันเสียมากกว่าไปสนใจกับทางโลกเพรช่วงที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังมีกําลังวังชาช่วงที่กําลังกายยังแข็งแรงอยู่นี่ยังสามารถหาความสุข แบบทางโลกแบบทางร่างกายได้หาเงินหาทองแล้วก็ไปใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆที่ต้องการได้พอร่างกายแข็งแรงร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปกินไปดื่มที่นั่นที่นี่ไปไปกินไปนอนที่นั่นที่นี่ก็ทําได้อย่างสบาย ก็เลยไม่เห็นความสำคัญของการไปศึกษาธรรมะการไปสร้างบุญสร้างธรรมะสร้างความสงบกันเพราะยังสามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายผ่านทางเงินทองได้อยู่ก็เลยต้องทุ่มเทเวลาให้กับการหาเงินทองแล้วก็ทุ่มเทให้กับการคอยดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย ให้แข็งแรงอยู่เรื่อยๆเลยไม่มีเวลาที่จะไปวัดกันอันนี้ปัญหามันจะตามมาในช่วงที่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ชราภาพเวลาที่ไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ซึ่งก็มักจะเห็นกัน คนเข้าวัดบางทีต้องรอให้นั่งรถเข็นกันก่อนถึงจะเข้าวัดกันแล้วก็มาตอนนั้นมันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้แล้ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงจะฟังหูก็ไม่ดีฟังบางทีก็ไม่ได้ยินตอนนั้นก็เลยเป็นเวลาที่สายไปเสียแล้วพูดง่าย ดังนั้นอย่าปล่อยให้มันถึงเวลานั้นแล้วค่อยเข้าวัดกันควรที่จะเข้าวัดกันในขณะที่ร่างกายยังพร้อมที่จะรับคำสั่งคำสอนและน้อมนำเอาคำสั่งคำสอนไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดบุญเกิดธรรมะเกิดความสงบขึ้นมาภายในใจพอเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วต่อไปเราก็จะรู้จักวิธีปฏิบัติ แล้วพอเรารู้แล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องเข้าวัดก็ไดนะ้หรือเข้าวัดก็อาจจะไม่ต้องบ่อยเหมือนตอนยุคช่วงแรกๆช่วงแรกๆอาจจะต้องเข้าบ่อยเพื่อให้ศึกษาให้เข้าใจว่าต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างพอรู้ว่าต้องปฏิบัติอะไรแล้วนำเอาไปปฏิบัติต่อไปก็จะรู้จักวิธีปฏิบัติเอง ากเข้าก็อาจจะเป็นเวลามีปัญหาเวลามีอุปสรรคที่ยังไม่เข้าใจธรรมะในขั้นไหนที่ไม่ยังไม่เคยเข้าไปไม่เคยไปถึงก็อาจจะไปถามผู้รู้ต่อไปแต่อย่างน้อยก็จะรู้จักวิธีปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติได้อยู่ที่วัดก็ปฏิบัติได้ ถ้าอยู่ที่วัดก็จะดีกว่าที่บ้านเพราะว่าที่วัดเป็นเหมือนโรงพยาบาลที่บ้านเหมือนบ้านเวลารักษาโรคภัยไข้เจ็บทางร่างกายนี้รักษาที่บ้านก็ได้รักษาที่โรงพยาบาลก็ได้แต่ถ้าจะดีรักษาที่โรงพยาบาลมันจะดีกว่าเพราะมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมมีบุคลากรที่จะมาดูแลรักษาร่างกายพร้อมเพียง มีเครื่องไม้เครื่องมือครบบริบูรณ์ถ้ารักษาทางบ้านก็อาจจะรักษาได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะมากไปกว่านั้นอาจจะต้องอแอดมิดเข้าโรงพยาบาลอันนี้ก็เหมือนกันถ้าปฏิบัติเริ่มแรกเริ่มแรกนี้ปฏิบัติที่บ้านก็พอปฏิบัติได้แต่พอเข้าขั้นที่สูงขึ้นสูงขึ้นแล้วนี้ จะรู้สึกว่าที่บ้านไม่ค่อยเหมาะสมไม่พร้อมกับการปฏิบัติแบบอินเทนซีฟแบบแบบเต็มร้อยได้อยู่ที่บ้านนี้ปฏิบัติแบบพอหอมปากหอมคอได้อยู่เอช้าชามเย็นชามอะไรทั้งนอนได้อยู่แต่ถ้าจะปฏิบัติแบบเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายอันนี้ต้องไปที่วัดกันต้องไปบวชกันอ ไปอยู่แบบนักบวชกันแล้วจะได้ปฏิบัติกันอย่างเต็มที่ intensive ส์นะผลมันถึงจะปรากฏขึ้นมาได้ถ้าปฏิบัติแบบเช้าชามเย็นชามก็จะได้แบบผิวเผินได้ผลแบบผิวเผินก็พอจะเป็นเครื่องยาไส้ได้บ้างดีกว่าไม่มีเลยยังพอช่วยได้วันไหนไม่สบาย ก็อยู่บ้านสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมไปก็พอช่วยจะช่วยบรรเทาได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าอยากจะให้มันได้มากกว่านั้นก็จำเป็นที่จะต้องไปอยู่ที่วัดกัน <c oughs> เหมือนกับโรงพยาบาลถ้ารักษาโาครคภัยไข้เจ็บแบบกินยาก็อยู่ที่บ้านก็ได้กินยาแต่ถ้าต้องฉีดต้องผ่าตัดเนี่ย ต้องใช้แสงต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางแพทย์รักษาที่บ้านไม่ได้ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่สำหรับผู้ที่เริ่มต้นก็สามารถที่จะปฏิบัติที่บ้านได้ศึกษาที่ที่บ้านก็ได้เดี๋ยวนี้สมัยนี้เราโชคดีมีธรรมะตลอดย4บสี่ชั่วโมงอยู่ในก ร, ร ม, มือเราแล้วอยู่ในมือถือเราแล้ว มีอยู่แทบทุกแห่งในในรถก็มีธรรมะในบ้านก็มีธรรมะเปิดทีวีเปิดอะไรขึ้นมาก็สามารถหาช่องธรรมะดูได้ฟังได้งนั้นในสมัยนี้ถ้าเราสนใจธรรมะเราก็ชิดจาดีกว่าสมัยโบราณซะอีกสมัยโบราณไม่มีสื่อเหล่านี้ถ้าอยากจะฟังธรรมะศึกษาธรรมะต้องไปที่วัด พราะที่บ้านไม่มีเสืมนอกจากหนังสือซึ่งในสมัยก่อนหนังสือก็มีน้อยและคนอ่านหนังสือออกก็มีน้อยซึ่งคนส่วนใหญ่จึงต้องอาศัยการไปวัดเพื่อศึกษาธรรมะกันเพราไปที่วัดก็จะมีพระออกมาพูดธรรมะให้ฟังแล้วถ้ามีความสงสัยมีความไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามได้ แล้วถ้าอยากจะลองปฏิบัติก็สามารถอยู่ที่วัดปฏิบัติก็ได้ถ้ามีเวลาว่างสมัยนี้เราถือว่าโชคดีว่าเดี๋ยวนี้ธรรมะนี้เข้าเข้ามาหาเราได้อย่างง่ายดายตลอด24ชั่วโมงเราสามารถที่จะศึกษาธรรมะได้ตลอดเวลาอส่วนการปฏิบัตินี้ ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในระดับไหนถ้าอยู่ระดับต้นๆก็สามารถปฏิบัติที่บ้านไปได้แต่ถ้าปฏิบัติสูงขึ้นไปก็อาจจําเป็นที่จะต้องไปอยู่ที่วัดเพราะว่าการปฏิบัติขั้นระดับสูงนี้จะต้องปลีกตนเองออกจากสังคมปลีกตนเองออกจากครอบครัวออกจากเพื่อนออกจาก ภารกิจการงานต่างๆถึงจะสามารถเข้าสู่ทำขั้นระดับสูงได้แต่ขั้นระดับเบื้องต้นนี้ก็สามารถที่จะปฏิบัติอยู่ที่บ้านไปได้ระดับเบื้องต้นก็คือทำบุญทำทานก่อนการทำบุญทำทานนี้ก็จะเป็นขั้นเบื้อขั้นเริ่มต้นของผู้ที่จะต้องการ สร้างความสุขทางใจสร้างความสุขด้วยการทําบุญทําทานการทําบุญทําทานนี้ย้ำเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขจากการใช้เงินก้อนเดียวกันไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไปเที่ยวไ ป, ไปเที่ยวเราก็ต้องใช้เงินไปทําบุญเราก็ใช้เงินก้อนเดียวกันได้ แทนที่เราจะไปเที่ยวเราเปลี่ยนเอาเงินที่เราจะไปเที่ยวนี้ไปทำบุญเป็นทำบุญก็สามารถเลือกทำได้ไม่จําเป็นที่จะต้องทำที่วัดอย่างเดียวเราอยากจะช่วยเหลือใครก็สามารถช่วยเหลือเขาได้เป็นการทำบุญการทำบุญก็คือการช่วยเหลือการให้ความสุขแก่ผู้อื่นการบรรเทาความทุกข์ยากลำบากของผู้อื่น เงินถ้าเราชอบทำบุญแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นเวลาเราได้ทำบุญแล้วเราจะรู้สึกมีความปลื้มปิติมีความสุขใจเวลาที่เราเห็นคนที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนได้รับการบรรเทาทุกข์ยากเดือดร้อนจากการเสียสละของเรานี่คือขั้นเบื้องต้นเราควรที่จะเปลี่ยนการวิธีใช้เงินซื้อความสุข การที่จะไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายกันให้เอาเงินมาซื้อความสุขทางทางบุญมาซื้อบุญกันบุญนี้เป็นอาหารของใจส่วนรูปเสียงกลิ่นรสปุถัมภะเป็นยาเสพติดของใจเหมือนบุหรีเหมือนสุราเวลาสูบบุหรีมันก็มีความสุขแต่มันสูบแล้วมันจะติดเวลาไม่ได้สูบมันจะทุกข์ แต่บุญนี้ไม่เวลาได้กินอาหารก็มีความสุขแต่เวลาไม่ได้กินก็ไม่ทุกข์แล้วอาหารคือบุญนี้จะอยู่ยาวนานกว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเที่ยวกลับมาไม่ปั๊บก็หายไปละกลับมาขึงบ้านความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปละ เป็นความทรงจำไปหมดแล้วแต่ถ้าไปทําบุญกลับมาที่บ้านมันยังอยู่กับใจต่อไปทําให้ใจเย็นใจสบายเพราะใจได้ลดความอยากลงความอยากนี่แหละเป็นตัวปัญหาเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากเที่ยวเราไปเที่ยวเดี๋ยวกลับมาบ้านเดี๋ยวก็อยากเที่ยวใหม่แล้วพอไม่ได้เที่ยวก็จะทุกข์ เหมือนกับสูบบรีอยากสูบบรีพอได้สูบบุรีก็สุขพอไม่ได้สูบก็จะทุกข์นั้นเราต้องมาหยุดความอยากเหล่านี้ความอยากที่เราใช้เงินไปทำนี้ควรจะหยุดมันควรจะหยุดซื้อความความสุขตามความอยากต่างๆอยากซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้าซื้อของฟุ่มเฟือย ซื้อของหรูหราของพวกนี้มันไม่จําเป็นอ่ะไม่ซื้อก็ไม่ตายไม่มีก็ไม่ตายเหมือนยาเสพติดเนี่ยไม่ไม่เสพก็ไม่เสพก็ไม่ตายแต่ทําไมเสพกันเพราะคิดว่ามันเป็นความสุขแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นความทุกข์ด้วยทุกตอนที่มันไม่ได้เสพทุกตอนที่มันไม่มีเสพอันนี้ก็ เรื่องของการทำบุญทำทานนี้มีไว้เพื่อให้เรากำจัดวิธีใช้เงินที่ไม่ถูกต้องคือการใช้เงินแบบซื้อยาเสพติดนั่นเองการใช้เงินหาความสุขทางตาหูจมูกรื่นกายนี้เป็นเหมือนการซื้อยาเสพติดควรจะหยุดได้แล้วคนที่ชอบเที่ยวควรจะหยุดเที่ยวได้แล้วเอาเงินเที่ยวนี้ไปทำบุญทำทานดีกว่า คนที่ชอบซื้อของฟุ่มเฟือยก็หยุดซื้อได้แล้วคนที่ชอบซื้อของหรูหราของไม่จำเป็นต่า ง, างๆก็หยุดซื้อเถิดซื้อแล้วมันไม่อิ่มไม่พอหรอกได้มาเท่าไหร่ก็อยากจะซื้อไปอยู่เรื่อยๆเห็น ไ, ไหมคนบางคนมีเงินซื้อรองเท้านี่ซื้อเป็นพันคู่ก็มีรองเท้าเท้าก็มีอยู่คู่เดียวแต่ทำไมต้องมีรองเท้าถึงพันคู่ก็เพราะมันติดเนี่ย มันติดกับการซื้อลองเท้าชอบรองเท้าพอเห็นรองเท้าแล้วมันอดที่จะซื้อไม่ได้เป็นพวกติดเหมือนติดสุราพวกชอบแอฮอลิกพว ก, พวกที่ติดการชอปปิ้งนี้เขาเรียกช็อปโฮลิกเหมือนคนที่ติดสุราก็แอลกอฮอลิกแบบเดียวกันเลยนั้นการใช้เงินเพื่อซื้อความสุขต่างๆนี้ไม่ใช่เป็นวิธีซื้อความสุขให้กับใจ เป็นการซื้ อ, อยาเสพติดซื้อความทุกข์ให้กับใจควรจะซื้อเปลี่ยนมาซื้อบุญกันดีกว่าทำบุญชนิดต่างๆแล้วแต่เราจะชอบชอบทำบุญกับวัดก็เลือกเอาวัดก็มีบุญหลากหลายมีบุญบางสังสวดมีงานกุศลต่างๆเยอะๆช่วงนี้งานศพระเยอะชอบทำบุญงานศพก็ไปทำบุญงานศพ ชอบสร้างโบสถ์ก็ไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ก็ไปสร้างเจดีย์ชอบอทอดกรถินก็ไปทอดกระถินชอบผ้าป่าก็ไปผ้าป่าทําได้เป็นบุญทั้งนั้นดีกว่าเอาเงินไปเที่ยวพูดง่ายๆดีกว่าเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหราของไม่จําเป็นทําบุญแบบนี้ไปก่อนแล้วใจของเราจะมีความสุขแล้ว ความอยากที่จะเที่ยวความอยากที่จะซื้อของหรูหราของฟุ่มเฟือยมันจะลดน้อยถอยลงไปเองแล้วมันจะทำให้เราหนี้สบายเพราะว่าเงินทองจะเราไม่ต้องไปดิ้นหาเงินทองตอนนี้เราใช้เงินมากเราก็ต้องหากันมากมันก็เลยจะติดอยู่กับวงจรหาเงินใช้เงินไปมันก็เลยจะไม่มีเวลาไป ศึกษาไปปฏิบัติทำขั้นสูงได้ น, นี่คือการปฏิบัติเริ่มต้นนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้กับผู้ที่ยังใช้เงินซื้อของตามความอยากต่างๆนี้ให้หยุดซื้อแล้วเอาเงินที่จะซื้อของตามความอยากนี้ไปซื้อบุญแทนเอาไปทำบุญบุญนี้จะทำให้ใจเราอิ่มใจเรามีความสุขในระดับ แรกๆคือเย็นสบายทําใจทําบุญแล้วก็สุขเย็นสบายความอยากที่จะเอาเงินไปเที่ยวก็หมดไปเพราะเงินมันหมดเงินที่จะไปเที่ยวมันหมดหมดไปกับการทําบุญมันก็เลยไม่มีความอยากเที่ยวต่อไปก็อยู่บ้านเฉยๆได้ถ้าไม่อยากจะไปทําบุญก็อยู่บ้านเฉยๆได้บุญจะทําให้เราอยู่เฉยๆได้ ไม่ต้องรู้สึก อ, อึดอัดเวลาที่ต้องอยู่บ้านเฉยๆถ้าเคยออกไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆพอวันไหนไม่ได้ออกไปเที่ยวนี่จะรู้สึกอึอดอัดนี่คือเรื่องของการสร้างบุญเป็นความสุขของใจในระดับต้นของการปฏิบัติระดับที่สองก็คือให้เรามาสร้าง บุญสร้างความสุขด้วยการรักษาศีลเพราะการรักษาศีลนี้จะทำให้ใจเราลดความทุกข์ลงได้ความทุกข์ใจที่เกิดจากการทำบาปสังเกตดูเวลาเราทำบาปแล้วถ้าดูที่ใจเราเราจะเห็นว่าจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจโกหกใครแล้วนี่ไม่ค่อยสบายใจ ไปขโมยเงินของคนอื่นเนือไปโกงไปช่าโกงไปหลอกลวงคนอื่นจะไม่สบายใจยิ่งถ้าไปฆ่าผู้อื่นนียิ่งทำให้ไม่สบายใจถ้ารักษาถ้ารักษาศีลห้าได้ความไม่สบายใจที่เกิดจากการทำบาตรทาบาปก็จะถูกกำจัดไปได้ การที่จะรักษาศีลห้าได้ก็ต้องมีการทําบุญนี้เป็นเป็นผู้ที่สนับสนุนคนที่ทําบุญนี้จะรักษาศีลห้าได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ทําบุญเพราะคนที่ไม่ทําบุญนี้จะเอาเงินไปซื้อของต่างๆตามความอยากนั่นเองก็จะไม่อยากจะเอาเงินมาทําบุญแล้วก็จะเวลา ใช้เงินกับความอยากมันก็ต้องหาเงินเวลาหาเงินก็อยากจะหาแบบง่ายๆมากๆเร็วๆวิธีที่จะได้เงินมามากๆง่ายๆเร็วๆก็ต้องบะทำบาปกันต้องหาโดยวิธีช่อโกงด้วยวิธีมิชอบนั่นเองก็คือจะไม่จะไม่สามารถรักษาสินได้คนที่ยังโลภยังอยากได้เงินทองมากๆอยู่ แต่คนที่ทำบุญนี้จะไม่โลภ ก, กับความอยากได้เงินทองเพราะว่าเงินทองที่มีก็เอาไปทำบุญแล้วคนทำบุญนี้ก็จะมีความเมตตาเกิดจะมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นต้องการให้คนอื่นเขาสบายให้เขามีความสุขไม่ต้องการให้เขาเดือดร้อนจากการกระทำของเรา มันก็จะทำให้เกิดมีศีลขึ้นมาโดยธรรมชาติขึ้นมาในใจคนที่ทำบุญนี้จะเป็นคนที่ไม่ชอบทำบาปเพราะมันเป็นเอ่อเป็นเรื่องตรงกันข้ามกันนั่นเองคนทำบาปก็จะไม่ชอบทำบุญคนทำบุญก็จะไม่ชอบทำบาปคนทำบาปเพราะโลภอยากได้เงินมากถึงทำบาปกันแล้วได้เงินมาก็ไม่ยอมเอาไปทำบุญอยาเอาเงินไปซื้อความสุข ทางตาหูจมูกล่้นกายหมดซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหราซื้ออะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อซื้อเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอใช่หไหมมีรองเท้าพันคู่ก็ยังไม่พอซื้อไปเรื่อยๆบางคนมีรถนี่เป็นสิบคันใช่เศรษฐีอาลับนี่ได้ข่าวว่าต้องสร้างโกดังเก็บรถนะเพราะเวลาไปชอปปิ้งเห็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดออกมา พันละยี่สิบล้านสามสิบล้านก็อยากซื้อขึ้นมาซื้อมาก็ขับได้วันสองวันก็เบื่อนะต้องหาที่เก็บสร้างกูดังเก็บแล้วต้องช่างจ้างคนมาคอยขับให้ว่ารถจอดอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันก็เสียแต่มีเงินถือว่ามีเงินก็ไม่ก็อะไรไม่แคร์มีขอให้มันตอบสนองความอยาก พอเห็นอะไรอยากจะซื้อก็ต้องซื้อมัอนให้ได้แล้วพอใช้เงินมากๆ ม, มันก็ต้องหาเงินมากมากหาเงินมากๆ ม, มันก็จะต้องหาโดยวิธีที่ง่ายที่สุดเนี่ยวิธีง่ายที่สุดก็คือต้องโกหกหลอกลวงกันบ้างต้องโกงกันบ้างพวกพ่อค้าแม่ค้าที่มาฟังเทศฟังธรรมนี่บ่นกันเลยว่ า, ารักษาศีลห้ายากเหลือเกิน ทำงานทาการค้าขายนี่มันไม่พูดโกหกนี่มันขายไม่ได้นะ น, นี่ก็นี่แหละเพราะว่าความอยากได้เงินมากๆ ม, ม, มันก็เลยต้องอทำบาปกันแต่ถ้าหาเงินมาเพื่อใช้กับสิ่งจำเป็นนี่มันไม่ต้องหามากเลยสิ่งจำเป็นก็คือปัจจัยสี่ สิ่งที่เราต้องหาอยู่บ่อยประจาก็คืออาหารท่านั้นเองที่เราต้องหาซื้อกินทุกวันส่วนบ้านเสื้อผ้านี้มันก็พอมีแล้วมันก็ไม่ต้องหาบ่อยมาหามาเติมบ้างนานๆทียาก็เหมือนกันนานๆทีเนยเจ็บไข้ได้ป่วยทีค่าใช้จ่ายประจำวันจึงหมดไปกับค่าอาหารท่า น, นเองอาหารถ้าเรากินแบบ แบบเรียบง่ายมันก็ไม่กี่ตังค์มือนะ้อละร้อยหนึ่งก็กินอิ่มแล้ะ mm. ถ้าเราไม่กินแบบ mm. แบบหรูหราต้องไปกินตามร้านอาหารตามโรงแรมตามอะไรอย่างนี้อาหารมื้อหนึ่งมันจะทักกี่ตังค์กัน mm. อันนี้ถ้าเราอยู่แบบสมถะเรียบง่าย mm. เราแทบจะไม่ต้องใช้เงินมากเลยเมื่อไม่ต้องใช้เงินมากเราก็ ไม่ต้องดิน้นรนหาเงินมากมันก็ทําให้เรารักษาศีลได้ถึงแม้เราจะไม่มีเงินทําบุญแล้วก็ไม่เป็นปัญหาเลยเพราะเงินที่เงินทําบุญนี้เป็นเงินที่เราเอามาจากกิเลสเท่านั้นแหะถ้าเราไม่ได้เอาเงินไปให้กิเลสเราก็ไม่ต้องเอามาทําบุญก็ได้ถ้าเราเอาเงินนี้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราก็ไม่ต้องเอาเงินนี้ไปทําบุญบุญนี้มีไว้สําหรับจะกําจัด การใช้เงินที่จะไปใช้กับกิเลสตัณหาเท่านั้นเองเมื่อเราเลิกใช้เงินกับกิเลสตัณหาแล้วเราก็ไม่ต้องเอาเงินไปทำบุญก็ได้เมื่อเราไม่ทำบุญเราใช้แต่แต่ค่าอาหารค่าที่อยู่อาศัยมันก็ไม่มากมันก็จะทำให้เราไม่ต้องทำงานมากทำให้เรามีเวลาแทนที่จะทำงานห้าวันหกวันเจ็ดวันบางคน อาจจะทาแค่อธิะวันก็พออหรืออาจจะดปีหนึ่งทําแค่เดือนนึงแล้วก็หยุดมันทั้งปีก็ได้อนี่เรียมีเวลาที่เราจะได้มาศึกษามาเข้าวัดมาเรียนรู้มาปฏิบัติทํากันแบบอินเทนซีสได้ปฏิบัติกันแบบเอาจริงเอาจังได้อันนี้ต้องเกิดจากการทําบุญทําทานทําบุญทําทานนี้จะเป็นเหมือนกับเปิดประตู เปิดเวลาให้กับเราเราจะได้เอาเวลาที่เราไปใช้กับการหาเงินหาทองกับการเอาเงินเอาเวลาไปใช้เงินใช้ทองนี่เอามาใช้กับการหาธรรมะหาบุญหาความสงบกันได้นี่คือหน้าที่ของการทำบุญเป็นการที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรานั่นเองวิถีชีวิตของพวกเราถ้าไม่เคยเข้าวัดนี่มันจะไปใน การหาเงินใช้เงินกันแต่มันจะเป็นความสุขชั่วคราวและเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนที่อาจจะมีอุปสรรคได้เวลาร่างกายเป็นอะไรไปหรือเวลาไม่สามารถห า, หาเงินหาทองได้เพราะการทำการค้ามันก็มีกำไรมีขาดทุนได้มีการล้มละลายได้ ถ้าเกิดล้มละลายนะั้นจะทําไงเคยใช้เงินเป็นที่พึ่งหาความสุขพอล้มละลายก็คิดแต่จะกระโดดตกตายทั้งนั้นเอพราะไม่รู้จะหาหน้าไปพึ่งใครหาเงินหาหน้าไปขอเงินใครก็ไม่ได้เพราะทุกคนก็อยากจะหาเงินกันทั้งนั้นไม่มีใครอยากจะให้เงินใครมันก็เลยไม่รู้จักวิธีอยู่แบบแบบไม่ใช้เงินไม่ได้ พอไม่มีเงินใช้ก็จะทุกข์ทรมานค่าตัวตายกันเยอะแยะเนี่ยเพราะว่าอาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขพอไม่สามารถหาได้ทีนี้ก็อยู่ไม่ได้ก็เลยฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายก็เป็นการแก้ปัญหาชั่วคราว แต่ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาระยะยาวเพราะว่าร่างกายตายไปแต่ผู้ที่ค่าร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายคือใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นผู้ค่าร่างกายเพราะใจคิดว่าถ้าค่าร่างกายแล้วปัญหาต่างๆก็จะหมดไปแต่มันไม่หมดหเพราะปัญหาตัวที่สร้างให้เกิดปัญหาต่างๆก็คือความอยากใช้เงิน ใช้เงินตามความอยากมันยังไม่หมดค่าตัวตายค่าร่างกายแต่ความอยากใช้เงินเพื่อซื้อความสุขต่างๆมันยังมีอยู่ในใจมันก็จะไปห า, หาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่แล้วก่อนที่จะไปเกิดใหม่ได้ก็ต้องอาจจะต้องไปใช้บาปก่อนถ้าทำบาปไว้ถ้าหาเงินด้วยวิธีทำบาปจะไปเกิดเป็นมนุษย์ก่อนก็ยังไม่ได้ อาจจะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานก่อนเพราะถ้ามีบาปติดกับใจไปนี่เราไม่เคยทำบุญเลยนะีรับรองได้ว่าตายไปนี้ไปอบายทันทีแต่ถ้ามีการทำบุญด้วยมีการทาบาปด้วยมันก็ยังอาจจะไม่แน่ขึ้นอยู่กับว่าบุญกับบาปอันไหนจะมากกว่ากันถ้าบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะดึงไปรับผลบุญก่อน ถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปก็จะดึงไปรับผลบาปถ้าบาปกับบุญมีเท่ากันก็จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ น, นี่คือสิ่งที่จะตามมาหลังจากที่ตายไปแล้วไม่ว่าจะตายแบบไหนก็ตามตายแบบค่าตัวตายตายแบบหมดลมหายใจกิเลสมันไม่ได้ตายไปกับความตายของร่างกายกิเลสคือความอยากต่างๆยังไม่หมด มันตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะพาให้เราไปมีร่างกายอันใหม่ต่อไปกลับมาเกิดใหม่แล้วก็กลับมาทำแบบเดิมแบบที่เรากำลังทำกันอยู่ในแบบปัจจุบันนี้เคยทำยังไงเคยอยู่แบบไหนก็จะกลับมาทำแบบนั้นอยู่แบบนั้นเคยใช้เงินซื้อความสุขก็กลับมาซื้อใช้เงินซื้อความสุขใหม่แล้วพลอยเกิดอุปสรรคแบบเดิมก็ฆ่าตัวตายใหม่ การค้าตัวตายจึงไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเพียงแต่เป็นการาาหนีปัญหาหนีไปเจอปัญหาข้างหน้าหนีปัญหานี้แต่ต้องไปเจอปัญหาข้างหน้าเพราะต้องไปเกิดใหม่แล้วก็ต้องไปหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขใหม่แล้วพอเกิดมีอุปสรรคขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการขาดเงินขาดทองหรือร่างกาย ไม่สามารถทําทําหน้าที่ได้บางคนเป็นเอามาพิกเอามาพาษบางคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บรักษาไม่หายก็อยากจะฆ่าตัวตายกันถ้าเคยคิดอย่างนี้มันก็จะคิดอย่างนี้มันก็จะกลับมาฆ่าตัวตายไปเรื่อยๆท่านหนึ่งบอกว่าฆ่าตัวตายครั้งหนึ่งแล้วจะต้องไปฆ่าตัวตายอีกห้าร้อยครั้งอีกห้าร้อยชาติเพราะมันจะเป็นนิสัยไปจะติดเป็นนิสัยไป พไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาแบบแบบแบบที่ถูกต้องนั่นเองแบบที่ถูกต้องก็คือนี่แหละต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มามาสอนเท่านั้นเองสอนให้เราหันมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันอย่าหาความสุขจากการหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองให้มาหาความสุขจากการศึกษาและปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า ให้มาเลิกใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆถ้ามียังใช้เงินทองซื้อความสุขอยู่เอาเงินทองเหล่านั้นไปทำบุญให้หมดถ้าหมดแล้วก็ไม่ต้องทำบุญถ้าไม่มีเงินทองทำบุญก็ไม่ต้องไปหาเงินทองมาทำบุญคนบางคนไม่เข้าใจหน้าที่ของการทำบุญตัวเองไม่มีเงินทองจะทำบุญเห็นคนอื่นเขามีเงินทองทำบุญก็อยากจะทำบุญเหมือนเขา ก็เลยไปหาเงินทองมาทำบุญนันดีไม่ดีไปหาเงินทองแบบไม่ถูกอกีกไปหาเงินทองแบบโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะได้เอาเงินทองมาทำบุญอย่างนี้แทนที่จะได้กำไรกับขาดทุนเพราะเงินทองที่เอามาทำบุญกับบาปที่หาเงินทองมานี่มันมีน้ำหนักต่างกันบาปมันจะมากกว่าบุญ เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าทําไมต้องทําบุญบุญมีไว้ทําอะไรเหมือนยารักษาโรคยารักษาโรคมีไว้ทาําไมยาแก้ปวดศรีรษะก็มีไว้สําหรับเวลาปวดศรีรษะเวลาที่ปวดท้องก็ต้องมียาแก้ปวดท้องอันนี้ก็เหมือนกันการทําทานนี้เพื่อมายุติการใช้เงินตามความอยากต่างๆให้ใช้เงินกับสิ่งที่จําเป็น เช่นอาหารเครื่องนุ่งหอมยารักษาโรคที่อยู่อาศัยถ้าขาดแคลนอย่างใดอย่างหนึง่งก็ต้องคอยหามาเติมแล้วก็ต้องรู้จักหาแบบพอประมาณถ้าหาแบบหรูหราบูหาแบบฟุ่มเฟือยก็เป็นกิเลสอีกแบบหนึง่ง <c oughs> อย่างใ น, นหลวงร .9 ท่านบอกเศรษฐกิจกพอเพียงพอให้ร่างกายอยู่ได้พอเพียงต่อความต้องการของร่างกาย อาหารจะมีราคาร้อยบาทพันบาทมันก็เป็นอาหารเหมือนกันถ้าอาหารร้อยบาททาหน้าที่เหมือนกับอาหารพันบาทได้เรื่องอะไรไปเสียเงินแพงๆกินเข้าไปมันก็กลายเป็นอุจจาระออกมาเหมือนกันต้องการอุจจาระราคาพันบาทหรืออุจจาระราคาร้อยบาทใช่ไหมลองคิดด้วยเหตุด้วยผลดูอนี่คือการใช้เงินทองตามหลักของศาสนา ต้องการให้เราเลิกใช้เงินทองตามอำนาจของกิเลสตัณหาเพราะมันจะทําให้เราต้องหาอยู่เรื่อยๆหาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ถ้าเราใช้เงินทองแบบเหตุผลนี่มันมีเหตุมีผลของมันถ้าไม่มีเหตุมีผลก็ไม่ต้องใช้ถ้ามีเสื้อผ้าพอแล้วก็ไม่ต้องซื้อถ้ามีที่อยู่อาศัยแล้วก็ไม่ต้องซื้อใหม่ถ้ามียารักษาโรค ก, ก็ ไม่ต้องเสียงไม่ต้องไปซื้อของแพงๆสามสิบบาทก็รักษาทุกโรคได้ตายก็ตายได้ทุกโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่เสียเป็นแสนเป็นล้านก็ตายได้โรงพยาบาลที่เสียสามสิบบาทก็ตายได้ถ้ามันจะตายเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกับของที่เขาโฆษณาหลอกลวงเราให้เราหลงไหลกับการบริการที่สะดวกรวดเร็วเท่านั้นเอง แต่มันก็เหมือนกันดูแลรักษาร่างกายได้เหมือนกันรายได้เหมือนกันอาหารก็เหมือนกันมื้อละร้อยก็อาจจะกินข้างถนนมื้อละพันก็อาจจะกินในโรงแรมมีเครื่องประดับมีคนเสิร์ฟมีอะไรแต่มันก็เป็นอาหารมาจากตลาดอันเดียวกันนั่นแหละไปซื้อโรงแรงก็ไปซื้ออาหารที่ตลาดแม่ค้าที่ขายท้มตมข้างถนนก็ไปซื้อที่ตลาดเหมือนกันเอามาขายเหมือนกัน งแต่บรรยากาศมันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองั้นเราอย่าไปหลงซื้อบรรยากาศเรากินอาหารเราไม่ได้กินบรรยากาศใช่ไหมแต่อาหารที่ไหนถ้ามันราคาเหมาะสมกินแล้วทำให้ร่างกายอยู่ได้ก็ใช้ได้แล้วถ้าใช้เงินทองแบบนี้มันจะได้ไม่ต้องใช้มากเมื่อไม่ต้องใช้มากก็ไม่ต้องหามากเมื่อไม่หามากก็ไม่ต้องเสี่ยงกับการไปทาบาปกัน ก็จะทำให้เราสามารถรักษาสีลห้าได้ควบคู่กับการดารงชีวิตทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถ้ามีเงินเหลือก็เอาไปทำบุญถ้าไม่มีเงินเหลือก็ไม่ต้องทำบุญอย่าไปหาเงินมาเพื่อจะมาทำบุญ <c oughs> เพราะบางทีพระก็โฆษณาชวนเชื่อว่าทำบุญแล้วได้สวรรค์ชั้นนั้นได้เป็นเทพชั้นนี้กลับมาจะร่ารวยระดับนั้นระดับนี้ ก็นี้ก็เป็นความโลภเองทำบุญระความโลภก็ผิดออกอันนี้ไม่ได้ให้ทำบุญเพื่อส่งเสริมความโลภให้ทำบุญเพื่อกาจัดความโลภความอยากต่างๆล้วถ้าเราทำอย่างนี้ได้ต่อไปเราจะมีเวลาเยอะเราไม่ต้องไปดินน้นรนหาเงินหาทองหาเงินพอมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอเราก็จะมีเวลาว่างมีเวลามาฟังเทศน์ฟังธรรม มีเวลามาปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปได้เพราะทาขั้นสูงจากการทำทานจากการรักษาศีลห้าก็มีทรระดับของนักบวชนักปฏิบัติคือทำระดับศีลระดับศีลแปดศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยี 10, ่บเจ็ดแล้วก็การปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตะภาวนาอันนี้ต้องย่องใช้เวลามากถึงจะได้ผล จะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและจะต้องปีกวิเวกอยู่ไกลจากคนต้องไม่คลุก ค, คีกันไม่สังคมกันถ้าอยู่ร่วมกันก็มาร่วมมาพบปะกันเวลาทํากิจที่ต้องทําเท่านั้นเช่นเวลามาฟังเทศฟังธรรมไหว้พระสวดมนต์หรือมารับประทานอาหารหรือมาทําความสะอาดก็ทําไปโดยที่ไม่ให้คุยกันต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่กันไป ทำเสร็จก็แยกย้ายกันไปไปอยู่ตามลําพังเพื่อที่จะได้เจริญจิตภาวนาได้คือการทำใจให้สงบเป้าหมายของการปฏิบัติการทาบุญการศึกษาธรรมะก็เพื่อให้เราได้รู้จักวิธีสร้างความสงบให้กับจิตใจเพราะความสงบนี้จะให้ความสุขกับใจที่เรียกว่าเหนือความสุขทั้งปวง ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงไม่มีความสุขใดในโลกนี้ที่จะเหมือนกับความสุขที่ได้จากความสงบนัตถิสันติบาังสุขขังนี่คือเป้าหมายของเราในการทำบุญทำทานรักษาศี่ห้านี้เพื่อเป็นการหาเวลาให้กับเราเพิ่ม เป็นการเปิดทางให้เราได้ไปสู่การปฏิบัติขั้นสูงต่อไปได้ต้องผ่านการปฏิบัติขั้นต่ำก่อนผ่านจากการทำบุญทาทานผ่านจากการรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนพอเราทาได้แล้วเราก็เริ่มเข้าสู่ระดับสูงได้เบื <c oughs> ้องต้นเราอาจจะทำวันที่เราว่างวันที่เราไม่ต้องไปทำงาน ไปอยู่วัดวันไหนว่างก็ไปรักษาศีลแปไปหัดนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็ไปศึกษาธรรมะเพื่อให้รู้จักวิธีที่จะทำให้ความสงบที่เราได้มานี้อยู่อย่างถาวรต่อไปเรียกว่าขั้นวิปัสสนาอันนี้ก็จะต้อง <c oughs> ใช้เวลาที่มากปฏิบัติแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับใครไม่เกี่ยวข้องกับใคร เพราะเวลาเกี่ยวข้องแล้วมันต้องใช้ความคิดกันเมื่อใช้ความคิดจิตก็ไม่สงบไม่นิ่งถ้าถ้าต้องการให้จิตนิ่งจิตสงบต้องไม่ใช้ความคิดใช้ความคิดให้น้อยที่สุดเท่าใช้ความคิดเท่าที่จำเป็นที่จะต้องคิดถ้าไม่จำเป็นต้องควรหยุดมันให้ได้หยุดมันทุกเวลานาทีหยุดได้มากได้น้อยหยุดได้นานหรือไม่นานมันก็จะทาให้สงบ สงบมากสงบน้อยไปเรื่อยๆแล้วพอเราทำอย่างนี้ไปพอเราได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราจะไม่สงสัยเราจะไม่อยากจะกลับไปหาความสุขแบบเดิมอีกต่อไปความสุขที่เราได้จากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้นีมันจะไม่มีความหมายไปเพราะความสุขที่เราได้จากความสงบนี้มันเป็นสิ่งที่เราพึ่งได้ อาศัยได้ไปตลอดความสุขที่เราได้จากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวก็ต้องหมดไปเดี๋ยวต้องมีจกการจากกันใช่ไมไม่ว่าใครก็ตามเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายเราพึ่งเขาเดี๋ยวเกิดเขาตายไปเราก็ไม่มีที่พึ่งแต่ถ้าเรามีความสงบเป็นที่พึ่งนี้เราจะมีที่พึ่งไปตลอดเพราะถ้าเรารู้จักสร้างความสงบแล้วเราจะสามารถสร้างได้ไปตลอดเวลา อยู่คนเดียวโดยที่ไม่ต้องมีอะไรแม้แต่ไม่มีร่างกายก็ยังใช้ได้ยังสร้างความสงบได้เพราะใจไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการสร้างความสงบใจต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เราต้องตั้งเป้าหมายกันของชีวิตของพวกเราคือการดำเนินชีวิตของเราไปสู่การ สร้างความสุขสร้างความสงบทางใจกันเพราะเป็นความสุขแท้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงเป็นความสุขที่จะไม่มีวันหมดไปจากจิตใจของพวกเราและจะเป็นความสุขที่จะทำให้เราไม่ต้องมาหาความสุขผ่านทางร่างกายอีกต่อไปถ้าเราได้ความสุขทางใจแบบสมบูรณ์แบบถาวรแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไป ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องกลับมาดินน้นโนหาเงินหาทองทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่ต้องมาทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆอย่างที่เรากำลังทุกกันอยู่ในปัจจุบันนี้นี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะศึกษาให้เข้าใจถึงเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงของพวกเรา คือการหาบุญหาธรรมะหาความสงบนี้เองไม่ใช่การหาลาบยศสรรเสริญไม่ใช่การหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แน่นอนวันใดวันหนึ่งอาจจะพึ่งมันไม่ได้แต่ความสุขที่เกิดจากความสงบที่เกิดจากการทำบุญที่เกิดจากการศึกษาธรรมะนี้ จะเป็นความสุขที่พึ่งได้ที่จะอยู่กับเราไปตลอดจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดในวันพระเพื่อมาทำกิจทางจิตใจนี้ให้ท่านได้นําเอาไปพิจิตรณาและปฏิบัติเพื่อความสุขของใจและความสิ้นทุกข์ของใจที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวาหาปุราปิริปุเรนติสักล e ังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปะทิตังตุมังคิปเมวะสัมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปายันโตปนาหระโสยะถามณีโชติ อระโสยะถาสภิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตผวะตวันตราโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาธนสีลิสานิจังมุธาปจายโนจตารโธรรมาวัฏฐานติอายุวันโอสุขัง ภาลางวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเข้ามา432ยูทูบ231วิทยุออนไลน์39รับฟังข้างบนนี้81คนรวมทั้งหมด783ครับ มีคำถามภาษาอังกฤษไหมไม่มีไม่มีมมการภาษาไทยจากคุณสุปราณีถ้าเราใส่บาตรพระองคเดียวเราสามารถกรวดน้ำให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วหลายๆคนได้ไหมคะได้มันไม่ได้อยู่ที่องคเดียวอยู่ที่ว่าเราทำมากทำน้อยถ้าเราทำน้อยเราไปกรวดให้หลายคนก็ต้องแบ่งกันเช่นถ้าเราอยากจะให้ได้คนละร้อยเราก็ ถ้าจะกวดน้ำให้สิบคนเราก็ต้องทำสิบเท่าเขาจะได้เท่ากันคนละร้อยเท่ากันแต่ถ้าเราทำร้อยหนึ่งแล้วไปกวดให้สิบคนให้เขาแบ่งกันเขาก็ได้คนละสิบมันไม่ได้อยู่ที่ว่าทำกับพระกี่คนกี่องค์คนลับไม่เกี่ยวอยู่ที่การให้ของเราอยู่ที่การเสียสละของเราเสียมากก็ได้บุญมากเสียสละน้อยก็ได้บุญน้อย คำถามต่อไปจากคุณแบงค์โยมขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะการมีสติณนะเวลาที่เกิดขึ้นโดยไม่ให้อารมณ์มาก่อนกรณีกับลูกค่ะเราบอกสอนหลายครั้งเหมือนเดิมแต่ลูกก็ยังทำเหมือนเดิมโยมฟังที่พระอาจารย์สอนว่าให้ใช้เมตตาอย่าไปคาดหวังให้ได้ดั่งใจเราเหมือนสมองเข้าใจบอกตัวเองเสมอให้ใจเย็นแต่เอาเข้าจริงๆกลับ ให้อารมณ์มาก่อนเสมอต้องทําอย่างไรเจ้าคะก็มันฝึกหยุดอารมณ์สิห <muitos> ยุดมันฝึกหยุดอารมณ์ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปต้องทําอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ทําแต่เฉพาะเวลามีเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้ค่อยมาพุทโธมันไม่ทันการมันต้องซ้อมไว้ก่อนต้องฝึกไว้ก่อนต้องคอยควบคุมอารมณ์ไว้เรื่อยๆอยู่คนเดียวนี้ก็ต้องคอยควบคุมแล้ะถึงแม้จะไม่มีเรื่องมาให้เกิดอารมณ์แต่มันก็ มันก็มีความคิดที่จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันก็จะไปสร้างอารมณ์ได้งั้นเราต้องมันคอยหยุดความคิดหยุดอารมณ์ต่างๆด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือถ้าเรามีกําลังสติพอที่จะบังคับให้มันอยู่กับการทํางานของร่างกายได้ก็ให้มันอยู่กับการทํางานของร่างกายไปให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วต่อไปมันก็จะมีกําลัง พอเราเกิดอารมณ์พุ๊บเราจะรู้ทันทีถ้ามีสติเราจะรู้แล้วเราจะหยุดมันได้ทันทีอย่างเมื่อกี้คุยกันกับคนเนี้ถ้าคุยนะั้นเดี๋ยวเกิดอารมณ์ขึ้นมาหยุดคุยดีกว่าเออคุยไปมันก็ไม่มีวันจบ <c oughs> คำถามต่อไปจากผู้ฝากถาม <c oughs> ทำอย่างไรให้ใจสงบครับไม่ยุ่งเรื่องใคร วัดไปวัดใจก็ไม่สงบเจอสิ่งกระทบไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องกายใจต้องทำอย่างไรครับไปอยู่ที่ไม่มีคนไงไปอยู่คนเดียวต้องปีกวิเวกแล้วมันก็จะสงบปีกวิเวก อ, อย่างเดียวไม่พอปีกวิเวกแล้วแถ้ามันยังคิดก็ต้องหยุดความคิดให้ได้แต่การไปปีกวิเวกมันช่วยลดการมาเจอกับสิ่งต่างๆที่ทาให้เกิดอารมณ์อยู่คนเดียวมันก็ไม่มี อะไรมาคอยกระตุ้นให้เกิดอารมณ์เหมือนกับอยู่กับหลายๆคนอยู่หลายๆคนเดี๋ยวคนนั้นพูดอย่างนั้นทําอย่างนี้ก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้แต่พอไปอยู่คนเดียวมันก็ไม่มีอะไรมากระตุ้นแต่มันก็จะมีตัวกระตุ้นอยู่ข้างในคือตัวเหงาขึ้นมาเนี่พอไปอยู่คนเดียวก็เหงาเองอยู่ไม่ได้ต้องไปอยู่กับคนอีกงัน้นเวลาไปอยู่คนเดียวแล้วต้องคอยระ ง, งับอารมณ์เหงาให้ได้ด้วยการฝึกสติ ต้องพูดโทพูดโทพูดโธไปอย่าให้มันคิดถึงคนนั้นคนนี้เดี๋ยวมันเหงาขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณต้นผมมีความรู้สึกกระสับกระส่ายหายใจไม่ทั่วท้องพยายามกำหนดลมหายใจเข้าออกแต่ไม่หายสัทีเดียวเลยมานั่งสมาธิกำหนดจิตลมหายใจเข้าออกพอจิตสงบลงเป็นสมาธิก็หายใจเป็นปกติ จิตรวมเป็นสมาธิอาการแบบนี้เกิดจากอะไรครับก็เกิดจากการปฏิบัติของคุณนั่นแหละคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามมีความทุกข์จนหันหน้าเข้าพึ่งพระธรรมโดยการปฏิบัติธรรมไม่เคยบอกใครมเมื่อเพื่อนร่วมงานรู้กลับอิจฉาไม่อยากให้ไปคอยขัดขวางต่างๆนานาผู้นั้นจะได้รับผลกรรมอย่างไร เขาก็เขาก็ไม่ได้รับผลอะไรเขาว่าเขาไม่ได้ทำอะไรแต่เราถ้าไปให้เขามาเป็นอารมณ์เรานะั่นแหละจะเป็นคนที่รับผลเพราะเราจะไม่ได้ไปทำในสิ่งที่เราควรจะไปทำอย่างเวลาใครเขาไม่เห็นด้วยกับการการะทําของเราแล้วเราไปเชื่อเขาไปทําตามที่เขาคิดเราก็ไม่ได้ไปทํามในสิ่งที่เราควรจะทำอย่างเขาไม่ได้เสียอะไร เราอาจะเสียถ้าเราไปาไปทำตามไปตามใจเขาเราเขาบอกไม่ให้ไปเราก็ไม่ไปอย่างนี้เราก็จะไม่ได้ไปทําในสิ่งที่เราควรจะได้คําถามต่อไปมีคนคอยกลั่นแกล้งทําความเดือดร้อนแก่เราตลอดทั้งที่เราไม่เคยทําร้ายใครทําให้ทุกข์ใจมากจนปล่อยวางไม่ได้อยากจะทราบว่าผู้ที่ทําชั่วแก่เราจะได้รับ ผลกรรมอย่างไรครับเขาทําใครเขามาอะไรทํากับใครเดี๋ยวเขาก็ต้องถูกทํากลับเท่านั้นเนะ่ยกฎแห่งกรรมเป็นอย่างนั้น อ, อาจจะไม่ได้เกิดจากเราไปทําเขาแต่อาจจะมีคนอื่นมาทําเขาก็ได้คําถามต่อไปจากคุณออนอุมาใส่บาตรแล้วลืมกรวดน้ําญาติพี่น้องที่เสียไปแล้วจะได้รับบุญใหม่เจ้าคะคือ <c oughs> ถ้าไม่ได้กวดน้ําแต่กวดใจก็ยังได้อยู่เช่นเราไม่มีน้ํากวดแต่เราระลึกภายในใจว่าขออุทิศบุญนี้ให้กับคนนั้นคนนี้เขาก็ได้ไม่ต้องใช้น้ำํำในเวลาทําบุญเสร็จปั๊บก็ อ, อุทิศไปในใจเลยขอทิศส่วนบุญที่ได้กระทําในวันนี้ให้แกผ่ผู้นั้นผู้นี้ที่เ้องรับไปแล้วก็เสร็จไม่ต้องใช้น้ําน้ํานี้เป็นเพียงแต่เป็นเหมือนกับ เ, ออเขาเรียกเ อ, อเป็นภาพให้เราภาพ ให้เรานึกถึงบุญว่าเป็นเหมือนน้ำเวลาเราทิศบุญก็เหมือนเทน้ำจากภาชนะหนึ่งไปภาชนะหนึ่งก็จากใจของเราไปสู่อีกใจหนึ่งเท่านั้นเองไปสู่ดวงวิญญาณของผู้ที่ร่วงลับไปแล้วแต่ไม่จำเป็นจะต้องมีน้ำเพราะน้าบุญไม่ได้อยู่ที่น้ำบุญอยู่ที่ใจของเราคือความรู้สึกมีความสุขที่เกิดจากการทาบุญเราก็สามารถแบ่งความสุขนี้ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้ ด้วยการระลึกภายในใจว่าวันนี้ขอได้ขอทัตส่วนบุญนี้ให้กับบุคคลนั้นบุคคลนี้ที่ล่วงลับไปแล้วถ้าท่านรอรับอยู่ก็ขอให้มารับไปเถิดนี่คำถามต่อไปจากคุณจุธาทิพย์กราบพระอาจารย์ช่วยชี้แนะว่าทำอย่างไรให้ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีสติมีความสุขโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เครียดทั้งจากงานและคนครับ ก็ต้องหมันพุโทโธเนี่ยละลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธอย่าคิดคิดแต่เรื่องที่จำเป็นจริ ง, รงๆเรื่องที่ไม่จำเป็นเรื่องเพ้อเจอ้อเพ้อฝันเรื่องวิพากษ์วิจาร์คนนั้นคนนี้เรื่องการเมืองยิ่งตอนนี้กำลังร้อน่คิดไปเสียเวลาเปล่าๆคิดเราทำให้ใจเครียดทำให้ใจฟุ้งซ่านขึ้นมาความคิดของเรานี่แหละที่ทำให้ใจเราเครียดกั น, นเราต้องหยุดมันด้วยการบริกรรมพุโทโธหรือสวดมนต์ก็ได้ ถ้าเราไม่ชอบพุทธโธเราใช้บทสวดอิติปิโสก็ได้สวดพุทธทงทังธรรมังสังคังสระนังกระฉามิไปก็ได้คือให้มันมีอะไรมาแทนความคิดของเราคิดไปในใจสวดไปในใจไม่ต้องออกเสียงเพราะเราจะเราจะต้องทำทุกเวลานาทีไม่ใช่เฉพาะแต่เวลาที่เรานั่งอยู่ในห้องพักเท่านั้นเราต้องทำตลอดเวลาทั้งวันเลยตั้งแต่เริมตาขึ้นมา ไม่ว่าทำภารกิจอะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ความคิดก็อย่าให้มันคิดเช่นอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนี้ถ้ามันจะคิดเรื่องการเมืองการบ้านการเรื่องเงินเรื่องทองก็ให้มันมาพุทธโธพุทโธดีกว่าคำถามต่อไปจากคุณปราโมทจำเป็นหรือไม่ครับที่จะภาวนาบริกรรมคำว่าพุทธโธแต่ใช้วิธีเห็นภาพพระพุทธ ร, รูปที่พอใจทุกครั้งที่มีโอกาส เรียกการเห็นภาพพระน้ว่าอย่างไรครับก็เป็นนิมิตเนี่ยเป็นนิมิตด้วยเป็นกรสินใช้ใช้ภาพเป็นเป็นอารมณ์แทนคำบริกรรมพุทโธก็ได้หลับตาแล้วก็นึกถึงภาพพระแล้วก็พยายามให้ภาพพระนั้นสร้างอยู่ไม่ให้หายไปใจก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เพราะใจต้องมาคอยสร้างภาพพระอยู่ในใจ เมื่อมันมีสร้างแต่ภาพพระมันก็ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็สงบได้คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามถ้าเราไม่ได้ทำงานป่วยเป็นมะเร็งต้องคอยหาหมอตลอดแฟนเป็นคนช่วยเหลือเรื่องเงินให้ใช้แต่หนูทำบุญทำทานตลอดอย่างนี้แฟนและหนูจะได้บุญด้วยกันไหมเจ้าคะอ๋อแฟนเขาได้ตั้งแต่เขาช่วยเราแล้วเนี่ยแฟนเขาช่วยเราก็เขาก็ได้ทาบุญแล้ว แล้ถ้าเราเอาเงินที่เขามาช่วยเหลือเราไปทำบุญเราก็จะได้บุญอี ก, อกต่อหนึ่งคำถามต่อไปจากคุณหนึ่งปริมาณอนิสงในทานที่ถวายแด่ผู้บริสุทธิ์กับปุถุชนสัตว์ตามหนังสือว่าเป็นกี่เท่าต่างๆกันไปเป็นจริงตามนั้นไหมครับคือจริงตรงที่ว่าไม่ใช่บุญที่เราทำแต่เป็นสิ่งที่เขาจะให้กับเรากลับมาคือธรรมะ ถ้าเราธรรมะ ก, กับทำบุญกับคนมีธรรมะมากเราก็จะได้ธรรมะมากกลับมาทําบุญกับคนที่มีธรรมะน้อยก็จะได้ธรรมะน้อยท่านถึงเปรียบว่าทําบุญกับพระธรรมดาได้หนึ่งเท่าทําบุญกับพระที่มีศีลบริสุทธิ์ได้สิบเท่าทําบุญกับพระที่ได้สมาธิได้ร้อยเท่าทําบุญกับพระอริยขั้นแรกพระสวสดาบันได้พันเท่า มันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะธรรมะที่เขาจะสอนเรามันจะมีมากขึ้นนั่นเองเหมือนกับทาบุญกับคนจบป .6 ทาบุญกับคนจบม .6 ทาบุญกับคนจบปริญญาตรีก็จะได้ความรู้จากคนเหล่านั้นต่างกันอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้จากเขาแตถา่ถ้าบุญที่เกิดจากการเสียสละของเรานี้เท่ากันหมด ให้กับพระธรรมดาให้กับพระอริยะความเสียสละความรู้สึกที่เราได้จากการเสียสละมันเท่ากันคำถามต่อไปจากคุณจุธาทิพย์ทำอย่างไรเราถึงจะนำอคติและความคิดในแง่ลบออกจากใจเราได้คะก็ลบมันออกไปสิทุกครั้งมันคิดก็พุโทโธพุโทโธลบมันไปใจเราก็ เ, เหมือนกระดานดำเนี่ยเวลาเรา คิดอะไรไม่ดีก็เหมือนเขียนบนกระดานดำพอมันเขียนปั๊บเราก็ยางลบมาลบมันเลยลบมันออกไปเรื่อยๆทำให้ใจมันว่างไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ไม่คิดเองแต่วพุโทโธนี่มีคุณมหาศาลแต่ไม่รู้คุณยิ่งก็เป็นดีกว่าตะเกียงวิเศษเด็กเนี่ยพุโทโธนี่แหละ ว, วิเศษที่สุดจะลบล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่โสกปกให้หายไปจากใจได้ไม่ใช่กัน ชอบคิดกันชอบเขียนกันด้วยกันเขียนเรื่องนั้นเขียนเรื่องนี้เต็มไปในหัวใจเนี่ยจะนอนไม่ได้กินไม่ดับเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่ดับเพราะอะไรก็ awy, เพราะความคิดนี่ใช่ไหมคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็ต่อไปยาวเลยพอมันคิดแล้วมันเป็นเหมือนเหมือนเริงอะ่ะเขาว่าเริงมันกระโดดจากกิ่งคว้ากิ่งนี้แล้วมันก็คว้ากิ่งนั้นต่อจากกิ่งโน้นมันก็คว้าไปเรื่อย ใจเราคิดเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเขไปต่อเรื่องนั้นต่อจากเรื่องนั้นก็ต่อไปนู้นน้นแล้วเดี๋ยว ก, กลับมาหาเรื่องนี้ใหม่วนไปเวียนมาอย่างเนี้ยคิดทั้งวันทั้งคืนกินไม่ได้นอนไม่หลับไปกับความคิดเพราะเราไม่รู้จักวิธีลบมันออกล้างมันออกไปจากใจพุทโธนี่แหละเป็นตัวล้างกรรมฐานสี่สิบเนี่ยเป็นตัวล้างถ้าไม่ใช้พุทโธใช้อย่างอื่นก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมว่าเราอยู่ในสภาพใด บางทีหรืนจิตใจเราชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นบางทีเราลึกถึงความตายก็ได้พอเราลึกถึงความตายมันหดเลยโลภอยากได้นู่นอยากได้นี่หายไปเลยไม่เชื่อลองไปหาหมอดูสิหมอบอกคุณเป็นมะเร็งรักษาไม่ได้อีนี้การที่จะวางแผงการคิดนู่นคิดนี่หยุดคิดเลยเพราะคิดไปก็ทําไม่ได้นะ เั้นระลึกถึงความตายบ้างก็ดีมันก็จะช่วยลดความคิดได้เหมือนกันแต่ใจต้องกล้าหารคนที่ไม่กลัวถ้าคนขี้กลัวนี่คิดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวยิ่งเครียดใหญ่เดี๋ยวกลัวไปหมดเลยเดี๋ยวเดินข้ามถนนก็ไม่กล้าเดินเดี๋ยวกลัวกลัวตายเดี๋ยวเดินก็กลัวเลื่นหกล้มหัวฟาดพื้นตายงัย้นถ้าคนยังใจไม่แข็งใช้กรรมฐานแบบแข็งๆไม่ได้ ต้องใช้กรรมฐานแบบอ่อนๆพุทโธเนี่ยแบบอ่อนใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยแต่คนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่ใจกล้าหาญนี้ใช้ใช้ยาแรงๆดีกว่าใช้ความตายนี่มันกิเลสหยุดชะ ง, งักเลยพอรู้ว่าจะต้องตายนี่โอ้การที่อยากฝันว่าชีวิตของเราจะเลิศรูอ้อย่างนั้นเนี่ยจะเป็นนายกจะเป็นอะไรกันนี้พอนึกถึงความตายนี่โอยไม่เป็นละ ยถ้าเกิดไม่สบายไปหาหมอหมอบอกว่านักษาไม่หายแล้วทีนี้ยังอยากจะเป็นนายกยังอยากจะเป็นสอสอกันรูปบ่าไม่เป็นแล้วใช่ไหมอยากจะเข้าวัดแล้วนี่อยากจะทําใจให้สงบแล้วนี่คําถามต่อไปจากคุณกิติยาขอคําแนะนําพระอาจารย์สําหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่รักษาไม่ได้แล้วด้วยค่ะก็แล้วแต่ว่าเขาจะ เขาจะฟังเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่ฟังเราพูดไปก็เสียเวลาดองนั้นก็ไม่รู้จะแนะนำทายังไงต้องถ้าเขาฟังก็บอกว่าทำใจให้สงบปรงเถอะร่รางกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเหมือนตุ๊กตาของเล่นที่เราได้มาจากพ่อแม่ตอนนี้เราต้องทิ้งมันแล้วแต่เราไม่ได้ตายเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นเจ้าของร่างกายเราเป็นคนเล่นร่างกายนี้ ตอนนี้มันร่างกายนี้มันจะตายแล้วก็ให้มันตายไปเพราะถ้าไปอยากให้มันไม่ตายเราจะทรมานแต่ถ้าเรายอมให้มันตายเราจะไม่ทรมานเราจะเย็นจะสบายแต่จะห้ามความตายไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นของไข่ของคนที่ไปแนะนําเขาก็ต้องตายเหมือนกันต้องตายด้วยกันทุกคนนี่เกิดธรรมชาติของร่างกายแต่เราจะสามารถตายแบบสงบหรือตายแบบไม่สงบได้ ถ้าเราต้องการตายแบบสงบตายแบบไม่ทุกข์เราก็ต้องปล่อยวางร่างกายต้องยอมให้มันตายแต่ถ้าเราไม่ยอมให้มันตายเราจะทุกข์มากจะทรมานใจมากนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ที่ไปสอนตอนที่มันจะตายนี่บางทีมันคนมันไม่ยอมฟังแล้วเพราะทั้งจิตทั้งใจมันอยากจะไม่ตายทั้งนั้น่ะคนที่กายตายนี่ อยากจะหาวิธีรักษาให้มันหายกันนะถึงนม้หมอบางทียังไม่กล้าบอกว่ารักษาไม่ได้เห็นไหมเพราะกลัวบอการักษาไม่ได้แล้วเดี๋ยวหมดกำลังใจกลัวจะทุกข์มากก็เลยบางทีก็อาจจะพูดเหมือนให้เชิงว่ายังมีความหวังอยู่ก็เลยบางคนเขาก็ยัง ก็ดีสำหรับเขาที่ยังมีความหวังแบบนมๆนางๆงดีกว่าความจริงที่เป็นเหมือนยาพิษสำหรับเขาฉั้นก็ต้องดูจิตใจของคนว่าเขารับแบบไหนได้ถ้าเขารับแบบของจริงได้ก็บอกตามความเป็นจริงไปถ้ารับเขารับไม่ได้ก็อาจจะให้ของปลอมไปให้ความหวังแบบนมนมนางๆว่าไม่แน่อาจจะมียาวิเศษอาจจะ อาจจะฟื้นขึ้นมาได้ก็มีกรณีคนที่จะตายอยู่ดีๆก็หายได้ก็มีอันนี้ก็บอกไปแล้วแต่เราจะบอกหรือไม่บอกก็ก็ได้ถ้าเขาไม่ถามก็ไม่ต้องบอกอะไรเพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนคนบางคนนี่คิดว่าจะตายแล้วกับฟื้นหายก็มีคนที่ไม่คิดว่าจะตายกับตายก่อนก็มีเราเคยรู้จักคนไปเยี่ยมคนไข้ คนที่ไปเยี่ยมคนไข้กับตายก่อนเพราะเป็นความดันตายคนคนที่เป็นคนกล้เป็นมะเร็งแต่ยังไม่ตายแต่คนที่ไปเยี่ยมคนเป็นมะเร็งตายก่อนเพราะมาความดันขึ้นเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรแน่นอนแต่ที่แน่นอนก็คือความตายเพียงแต่ว่าจะตายก่อนตายหลังตายช้าตายเร็วตายยากตายง่ายเท่านั้นเองตายทุกข์หรือตายสุข ถ้าต้องการตายสุกก็ต้องปล่อยทำใจให้สงบอย่างเดียวอย่าไปอยากทำใจหยุดคิดหยุดอยากพุโทโธพุทโธไปฟังเทศฟังธรรมไปสวดมนต์ไปภายในใจแล้วก็ปล่อยให้ร่างกายมันเป็นไปตามสภาพของมันไปคำถามต่อไปจากคุณศรีสุดาถ้าเปิดธรรมะหรือบทสวดมนต์ฟังระหว่างทำงานบ้านหรือทำกับข้าวถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ มันก็ได้ห้าสิบห้าสิบนะเหมือนไปโรงเรียนแล้วไปทํากับข้าวในห้องเรียนดูเลยลองดูเส้นอาจารย์ก็จะให้เราทำไหมอาจารย์พอดีมีผ้าผ้ายังต้องซักหิวขอซักขนาดที่ฟังฟังอาจารย์สอนได้ไหมได้ฟังได้แต่จะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าเพราะคนใจคนไม่ได้สนใจที่จะตั้งใจฟังอย่างเดียวคนฟังไปด้วยแล้วคุณก็ทํากับข้าวของคุณไปมันก็อยู่ที่ว่าใจของคุณอยู่ที่ไหน ถ้ายู่ที่ทำกับข้าวคุณก็ได้กับข้าวนะธรรมะก็เป็นเหมือนเสียงลมพัดเนี่ยตอนนี้มันก็พัดไปพัดมาเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปแต่จะไม่เข้าใจว่ากาลังฟังอะไรอยู่หมดแล้วเลยหมดแล้วก็ดีพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ